บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษั ท, ทั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานรปกรมรมฐานแลว้วต่อแต่นี้ไปขพท่านั้หลายตั้งใจสะดับอารมณ์ของพระอนาคามีประหาตรรค ในขณะที่ท่านหลายตั้งใจสดับจงตั้งใจฟังด้วยจิตเป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือมีรมตั้งมั่นไปตามกระแสเสียงที่รับฟังและก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยคำว่าอารหตัตมรรจคืหมายความว่าท่านผู้ปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์มรรคะในขะบวนเดินเดินไปเพื่อความหมดกิเลสอย่างสิ้นเชิงขอให้บรรดาท่านทั้งหลายทบทวนอารมณ์เดิมมาสี ก, ก่อนว่าการที่เราศึกษาพระกรรมฐานมาตั้งแต่ต้นคือทั้งแต่คณิกะสมาธิ อุปจาระสมาธิฌานสมาบัติเระบรโซดาสีทาคาอนาคาส่วนต่างๆท่านหลายเหล่านี้เราละอะไรกันได้บ้างถอยหลังไปโดยเฉพาะสำหรับอารมณ์สมาธิมีลมฌานเป็นต้น นั่นเราหมายความว่าเรามีอารมณ์ชนะนิวรณห้าประการนิวรณห้าประการไม่สามารถจะเป็นจออเจ้าเจ้านายใจของเราได้ถือว่าเราเป็นผู้ชนะเมื่อเป็นผู้ชนะนิวรณแล้วก็จงเป็นผู้ชนะตลอดไปอย่ากลับเป็นผู้แพ้ยงอย่าติดอารมณ์เดิม นี่ผมขอถวนตนอารมณ์เดิมที่เคยศึกษามาจากไหนติดตำ ร, ตำราดูนว่าวันนี้จะได้ยินเสียงแววแววว่า น, นักติดตำราจะปรากฏขึ้นนั่นระวังตัวให้ดีจงอย่าติดตำราคำว่าตำรานั่นติดได้ต้องมีปัญญาเท่าเทียมกับตำรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจงมุ่งอย่างเดียวคือตาการตัดกิเลสเพราะว่าการติดตำราเป็นปัใจจใัยไปสู่าบภูมิเป็นเหตุถือตัวถือตนนั่นเป็นส่วนของบุคคลที่ตกอยู่ในรมขอ้โลกกีวีใสเต็มร้อยเปอร์เซนต์ไม่ได้มีส่วนความเป็นพระอยู่เลย เราการที่สองเมื่อเราอ่านตำราแล้วจงใช้ปัญญาพิจารณาตำราว่านิวรณห้ามีอะไรบ้างทำไมเราจรึงจะชนะนิวรณห้าได้นี่ทวนอารมณ์ต้นนะอารมณ์ฌานเป็นเครื่องฆ่านิวรณแต่การทรงฌานสมาบัตเป็นของดีจอดีเล็ก คำว่าดีเล็กก็คือไม่สามารถจะทำตนให้พ้นจากอบายภูมิได้ต่อมาก็มีอารมณ์พระโสดาบันเป็นเขตแห่งพระนิพพานคือ ท, ท่านผู้ใดเข้าถึงประโสดาบันย่อมไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ติดโน้นไม่ติด น, น, ดนี่มีใจติดเฉพาะคือจับอารมณ์ความชั่วของตัวเท่านั้น เราเรียนกันมาถึงพรานนาคามีได้แก่นหนึ่งสกายาทิฏฐิเราไม่ติดในกายวิจิกิจช้าเราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสีรพระตะปรามาตเราจะเป็นผู้มั่นคงในศีลกามราคะ เราไม่ติดในกามอารมณ์ละได้เลยแล้วก็ปฏิฆะอารมณ์ของเราจะไม่ย่งกับอารมณ์ใดๆที่เป็นอิทธารมและอนิธารมคือเป็นอารมณ์ที่ปราถนาและไม่ปราถนามีหลักสูตรที่เราศึกษากันมามีเท่านี้ได้ถึงเพียงนี้ท่านชื่อว่าเป็นพระอนาคามี เั้นตำราอ่านก็อ่านถึกแต่ว่าจงละสังโยชน์ให้ได้อย่าถือตัวถือตนว่าเคยเป็นอะไรมาเคยศึกษามาที่ไหนมีความรู้ขนาดไหนและจงเอาใจไปวัดใจของเราว่าสังโยชนตัวใดบ้างที่อยู่ในจิตของเรา ถ้ายังปรากฏว่ามีสัญญาตัวใดหรือข้อใดที่ใจเรายังค้องอยู่จงทราบว่าเรายังเลวอยู่มากจงสังวรในเรื่องนี้ให้ดีวันนี้จะพูดถึงอรหัตตม m ร k สำหรับอรหัต h ม m ร k คือผู้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอรหัต h a เพื่อตัดกิเลส ท, ทั้งสิ้นให้หมดไปจากกิจของเราเราก็ยังเหลือจากอนณาคามีผลอีกห้าข้อนั่นก็คือ 1. รูปราคะได้แก่การติดอยู่ในรูปฌาน 2. องรูปรคาคะได้แก่การติดอยู่ในรูปฌานสา 3. มานะ การถือตัวถือตนสีอุตจะเะมีรมฟุ้งห้าอาวิชาความโ ง, ง่ท่านนัไหลายอาจจะยังคิดว่าในเมื่อเป็นพระ น, นาคามีแล้วยังโ ง, ง่อยู่หรือก็ต้องตอบว่ายังมีความโ ง, ง่อยู่พระนาคามีตะกิเลสหยาบได้หมด อาจจะว่ากินเละที่ละเอียดที่เปร น, นุใสยยังมีอยู่ในใจของตนคือยังมีความความเมาอยู่ในฌานสมาบัติคือในรูปฌปานและรูปฌปานยังมีการถือตัวถือตนถือไม่มากถือน้อยก็ถือว่ายังถืออยู่ยังใช่ไม่ได้ยังมีอารมณ์ฟุ้ง คือนอกเหนือไปจากอารมณ์คองมพานิพัน์ยังมีการการติดคือว่าฉันพระร า, าคะอยู่ในส ก, กายาทิฐิบางบาะการอาการทั้งหมดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอารมณ์เบาก็ยังถือว่าโง่โง้ตรงไหนโง่ตอนที่ว่าตนเองยังไม่เสร็จจิต ยังมีภารกิจที่ย่าต้องทำแต่กลับท น, นองตนว่าเป็นผู้ประเสริฐถ้าใช้ภาษาไทยแท้เขาเรียกโง่บัดซบอย่าลืมนะว่าพระอนาคามีนี่ยังโง่จงอย่าติดโง่วันนี้ได้ยินเสียงโง่ปรากฏเสียงนี่จงทิ้งไป อย่าให้เข้ามาอยู่ในสามาคมและสังคมนี้เพราะว่าที่นี่ต้องการอย่างเดียวคือลมอารมณ์ของความบริสุทธิ์ของจิตถ้าจิตบริสุทธิ์เสียงไม่กบริสุทธิ์กายการที่ออกทางกายกบริสุทธิ์วาจากบริสุทธิ์พระว่าอารมณ์บริสุทธิ์ในเมื่อเราเข้าถึง พระนาคามีผลแล้วเราจะปฏิบัติตนแบบไหนในวันนี้ผมจะพูดอรัตมรรมเพียงย่อยๆเพราะว่าผลแห่งการปฏิบัติอยู่ที่ความภาคเพียนเอาจริงเอาจังจงใช้จิตพิจารณาจิตไว้เสมอการศึกษาในพระพุทธศาสนาศึกษาเฉพาะโดยตรงในด้านของจิต ถ้าจิตของเราดีทุกอย่างมันดีหมดไม่มีอะไรเลวถ้าจิตของเราเลวทุกอย่างมันก็เลวหมดเหมือนกันจงจำไว้ให้ดีว่าอัตนาโจทย์ญาตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความชั่วจิตของเราไว้เสมอจงอย่าคิดว่าเราดี ถ้าเรามีความเห็นว่าเราดีเมื่อไรเราก็เลวเหมือนนั้นตอนนี้เรามาพูดกันถึงการเข้าทิ้งความเป็นอรหัตมรรคเมื่อได้อนาคามีผลแล้วก็มานั่งพิจารณาอาการของฌานสมาบัติทั้งรูปฌานและรูปฌานสำหรับรูปฌาปนแปลการทรงอารมณ์ดี อาจะอารมณ์หนักแน่นหนักน่วงอารมณ์ทรงตัวและอรมชาญามีอารมณ์เบาโปร่งดียิดไม่ติดอยู่ในอากาศสานัญจายตนะหมายความว่าเราไม่เห็นอะไรเป็นสภาวะเป็นตัวเป็นตนมันมีสภาพโล่งสบายวิญญาณนัญจายตนะ เราไม่มองเห็นว่าอะไรเป็นสภาพเป็นตัวเป็นตนมันมีสภาพเป็นนามธรรมบ้านก็ฟังคนก็ฟังวัตถุก็ฟังดีจิตสบายเมื่อกินจัญญายานะเราเห็นว่าสภาพของโลกทั้งหมดมันไม่มีอะไรเหลือิตเป็นสุขดีสบายในวสัญญานาสัญญายตนะ เราไม่ยึดอะไรมันทั้งหมดเป็นคนมีความจำเหมือนกับจมีสภาพจำไม่ได้ไม่ติดอะไรทุกอย่างจุดนี้ละท่านถ้ารูปเะชาญที่มีอาการอารมณ์สมเข้าถึงอุเบกขารมเช่นชาญสีมีเอกกตากอุเบกขาเหลือตัวนิดเดียวคิดว่าเป็นอรหรันต์ เพราะว่ามันกดมีวรนคือกดเลกกีเ ล, เล็กเไวแต่มีอารมณ์หนักสำหรับอรูปฌานตัดเบาไปหมดลอยตัวคิดว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วเราไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราใจเป็นสุขยังคิดว่านี่คือพนิพานเสร็จถ้าคิดอย่างนี้ก็จมรังเป็นความโง่ เราจงตั้งคิดคิดว่ารูปประชานก็ดีอรูปประชานก็ดีเป็นบันไดสําหรับเราจะก้าวหรือว่าเป็นนั่งร้านสําหรับเราจะขึ้นไปชั้นสูงคืออารมณ์ของพระนิพพานแท้ๆได้แก่อรหัสผลดันั้นเราจะไม่เมาในรูปประชานและอรูปประชานแต่ว่าไม่ใช่ทิ้งรูปประชานและอรูปประชาน เราจะใช้รูปประชานและรูปประชานเป็นประจำวันตลอด24ชั่วโมงหมายความว่าถ้าตื่นอยู่เพียงใดเราจะทรงฌานไว้เป็นปกติจะกินจะนอนจะนั่งจะเดินจะพูดจะคุยดูหนังสือหาทำกิจการงานจิตทรงอยู่ในรูปประชานหรือรูปประชานที่เราคล่องอยู่จงอย่าวางฌานเสียผมบอกแล้วว่าฌานคือชิน ผมไม่นิยมคนที่เก่งชาญในการเข้านั่งหลับตาขัดสมาธิท่านได้เพียงเท่านั้นลืมตาชายเคลื่อนอย่างนี้ผมยังถือว่าเลวมากยังเป็นผู้เข้าไม่ทิ้งชาญผู้มีอารมณ์ชาญจะได้ทรงจะต้องทรงอยู่ทุกิริยาหมดอารมณ์จิตจะเป็นกุศลในตัวละโย่เสมอ อย่างนี้เขาเรียกโบสงชันสงชันได้อย่างนี้พระพุทธเจ้ายังไม่ถือว่าดีคือถือว่าเป็นตัวหน่วงเหนียวเหนียวรังและดึงข้าไว้ได้แก่สังโยชน์ฉะนั้นเราจะไม่เห็นว่ารูปฌานใะนรูปฌานเป็นจุดจบเป็นกิจที่เราจะพึงปฏิบัติเราจะก้าวต่อไปส่งกำลังใจไว้ในฌานแล้วก็หันไปจับมานะ เรารูปประชันและวรูปประชันนี่เป็นของไม่ยากมานะความถือตัวถือตนที่เราถือเขาถือพวกถือพ้องถือพี่ถิ่นน้องถือว่าเราดีกว่าเขาเราเดวกว่าเขาเราเสมอเขาเราเป็นโอสิทธิ์สำนักน้นเราเป็นอุสิทธิ์สำนักนี้เรามีความรู้ชั้นนี้เรามีความรู้ชั้นนั้นนี่มันเป็นความเลวของจิต เป็นอารมณ์ของคนที่งโง่บัดซบเท่านั้นจะมีความรู้สึกอย่างนี้เพราะอะไรยังว่าอย่างนั้นมันถือตัวถือตนถืออะไรกันละ่ะความรู้ที่เรามีอยู่พาเราไปนิพพานได้ไหมสํานักที่เราปฏิบัตพบาาิพาเราไ ป, ปนิพพานได้ไหมครูบาอาจารย์ผู้สอนพาเราไปผนิพานได้ไหม ถ้าพาไปได้แล้วก็พระพุทธเจ้าพาไปแล้วทุกคนสมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าอาคาตาโรตถ า, า, า, าคตาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นท่านจะไปไหนนั่นมันเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของตถาคตจะดีจะชั่วมันเป็นเรื่องของท่านจำข้อนี้ไว้ให้ดี แล้วก็จงวางเสียหมดการถือตัวถือตนจงอย่ามีถ้าท่า น, นหลายมีความรู้สึกว่าสัตย์ใจฉันกับเราไม่เป็นที่รังเกตกันเราไม่รังเกียจสัตย์จฉันเพราะมีสภาวะความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนไปในธรรมกลางมีการสลายตัวเป็นอดีตเขามีขั้นห้าเรามีขั้นห้า เขามีท่าสี่เรามีท่าสี่ร่างกายเขาสุกบรกชั้นใดของเราก็สุกบรกชั้นนั้นร่างกายเขาก็ร่างกายเรามันก็ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของยึดผู้ครองร่างไม่ได้มีอํานาจเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายมีสภาวะของมันไปตามกฎของธรรมดาใครจะยึดเหนียวเนียวร่างมันไม่ได้ทําใจให้เป็นสุข คนดีคนชั่วคนเลวเรื่องของเขาเราถือยิ่เพียงอย่างเดียวว่าเราทำจิตของเราให้บริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาจะคบหาสมาคมก็ถือว่าการครบสหาสามสมาคมในฐานะเป็นมิตรไม่คิดจะรังเกียจคนแลสัตว์นะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าขั้นห้าเราขั้นห้าเขาไม่ช้ามันก็พัง ไม่มีอะไรจรังย่างยืนฐานะไม่มีความหมายวิชาความรู้ที่ศึกษามาไม่มีความหมายเราตายแล้วมันไม่ตามไปด้วยเราจะไม่ยอมถือตัวถือตนผมขอพูดไม่ได้เพียงยอ่อยๆเพราะขั้นอนาคามีและปัญญาดีมากผมศึกษามาไม่มีใครเขาสอนผมแบบนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเองทางนั้น ส่วนใหญ่ท่านแนะนําให้แต่เดข้อผมก็ใช้นังสือปฏิบัติผมถือว่านังสือที่พระอรหันต์เขียนมาคุณยอมรับนับถือหนังสือที่พระอาหารหันต์แกะมาจากคําสอนพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตกระทายจารนคุณยอมรับนับถือแต่ว่าของดีก า, าจาย์กะเกเจีอาจารย์เนี่ยผมไม่มองเพราะว่าเพิจับได้หลายจุด ว่าท่านแก้เผื่อมากเราไปติดอย่างนั้นเราก็เสียฉังนั้นหนังสือที่เราอ่านเราควยจะดูว่าใครเป็นผู้เขียนถ้าเป็นพระพุทธพจน์บทปมบาลีของพระพุทธเจา้าเรายอมรับแต่ว่าจงพยายามทําใจให้เข้าถึงจิตเราหยาบเราเข้าใจหยาบจิตละเอียดเราเข้าใจละเอียดตอนนี้จิตเราเข้าถึงพระนาคามีเราสามารถจะเข้าไป ทำความเข้าใจในการที่จะเป็นพระรร์ได้ง่ายเป็นอวัยว์นกลองทิ้งไปเรื่องมานะถือตัวถือตนเท่านี้พอผมไม่พูดมากขั้นอานาคา ม, มีแลาจะต้องพูดอะไรันมากพรุ่งพรุ่งนี้จะสรุปทั้งหมดต่อไปอุทธจักอารมณ์ฟูท่านผู้รับฟัง อาจจะแปลกใจว่าอะไรหนอทำไมพระอนาคามีนี่ยังจะฟุง้งอีกเลยก็เป็นพระเรียเจ้าขั้นสูงถ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวนาเรพรมแล้วก็ปณิพาน์บนนั้นน่าจะไม่มีอารมณ์ฟุ้งแล้วก็ต้องถอยหลังไปดูคำปรารพของพระเจ้ามหานาม ท่านทามาหานนามเคยปรรับพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแตกพระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ทรงตัดว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอนาคามีเพราะเหตุใดในบางโอกาสจิตของข้าพระพุทธเจ้านี้ยังมีรมฟุ้งพอใจในทรัพย์สิน องสมเด็จพระมหามนีนเจได้มีพระพธิธีกล่าวว่ามหาราชะขอถวายพระพรพระมหาบอกพระราชสสมภันนาคามีนี่ยังมีอารมณ์ฟงเพื่อว่ายังติดอยู่บ้างแต่ติดไม่มากมีความรู้สึกว่าทรัพย์สินกับเราไม่ชาไมนกระจากขึ้นไปนี่ยังมีอารมณ์ฟงน อ, นอกแนวทางพนิพันธ์อยู่ ดังนั้นในฐานะที่ท่านหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูจึงทําความรู้สึกตัดอารมณ์ฟุ้งในฐานะที่จะเข้าถึงความเปรีหันหด้วยลานี้เราถึงอนหัตถมรรคแล้วตัดฟุ้งตรงไหนฟุ้งอารมณ์ทั้งหมด จะไม่ยอมให้ปรากฏว่าเป็นเจ้านายใจของเราอารมณ์ของเราจะตั้งไม่โดยเฉพาะนั่นก็คือพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าทำยังไงหนอะระยะตัดสกายทิฐิมีกิเกชา้าศีลพตะปรามาัิลูราคาอรุะคามานะอุตจารวิชาให้สิ้นไป มันจะสิ้นหรือไม่สิ้นเพียงใดก็ตามแต่ใจของเรานี้จับพลิพานเป็นอารมณ์มีความรักพนิพานอย่างยิงย่งนี่ถ้าบางอาจารย์เข้าฟูเขา้เขาฟังแล้วเขาจะคิดว่าเอ๊ะนี่สอนกันยังไงสอนให้ติดพนิพานแล้วว่าพนัยพระไตรปิฎกท่านสอนว่าจงยาติดอะไรทั้งหมดแม้แต่ผนิพาน ทำใจให้โปร่งที่สุดถ้ายังมีอารมณ์ติดอยู่ยังว่าไม่ดีก็จงเข้าใจตัวเราว่าในเมื่อเรายังไม่ถึงอรหัตผลเพียงใด ห, หรือว่าเหมือนกับคนที่มีร่างกายไม่แข็งแังจะไปไหนไมันก็ต้องเกาะราวมีไม่เท่าเป็นธรรมดานี่อย่าลืมว่าเรายังเป็นอรหัตมรยจาต้องเกาะราวสูงคือพรนิพพาน ก็รอกผิดสูงเนี่ยรอกจับรอกไว้มันไม่ฉะนั้นมันจะพลาดถ้าพลาดโอกาสแล้วเวลาเราตายยังจะต้องทำกิจนี้ต่อไปเป็นนั้นว่าการตัดอารมณ์พงคือยึดถืออารมณ์พนิพพานเป็นอารมณ์มองทุกอย่างมันไม่ดีไปหมดในโลกเห็นว่ามันไม่ดีแต่เราไม่คลุมถือว่าเป็นธรรมดาของมันถ้ายังคลุมอยู่ยัใช่ไม่ได้ ต่อไปก็มาตัดอวิชชาอาวิชชานี่ไม่มีอะไรความจริงถ้าจิตเข้ามาถึงนี่แล้วไม่ต้องตัดอวิชชาก็ได้มันตัดไปเสแล้วเนื้อแท้จริงๆของการปฏิบัติในการตัดจังโยกสิทเขาตัดท่สกายะทิฐิตัวเดียวแต่ดิพูดกรมนี้เพื่อความเข้าใจอวิชชาแปลว่าไม่รู้ ถ้าใครแปลอย่างนี้เสร็จคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดที่เกิดมาในโลกมีความรู้ทั้งหมดแต่ว่ารู้ไม่ครบอวิชชาแ ย, ย, ยกเอาได้เป็นสองสับคือตัวกิเลส ไ, ได้กับชั้นทะกับราคะชั้นทะกับราคะสองตัวนี้คืออวิชชา นี่ปรากฏมีมาในพระไตระไปิฎกที่เราเรียกนว่าขันธวรชชั้นทะมีความพอใจในทรัพย์สินบางอย่างด้วยชั้นทะมีความพอใจในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินั ก, กพรหมสมบัตริราคะเห็นว่ามนุษย์เโลกที่วโลกประมโล ก, เ ป, โลกเป็นของดี ถ้าอารมณ์ยังติดดีจุดใดจุดหนึ่งอยู่ติดมนุษย์คนดีติดเทวดาคนดีเทวดาติดรงคนดีก็ชื่อว่าเรายังมีวิชายอยู่เพราะอะไรเพราะเรายังโง่ดินแดนมนุษย์คนดีเทวดาคนดีโทคนดีไม่ใช่ไปดินแดนที่หมดทุกยังมีทุกข์ยังมีกังวล ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนและพระโยคาวจรทุกท่านจงจำคำนี้ไว้ใช้กำลังใจโดยเฉพาะว่ามนุษย์สโลกเทวโลกแัะพมโลกเป็นดินแดนที่เรารังเกียจเพราะเป็นดินแดนที่ไม่นำความสุขมาให้เป็นดินแดนที่ทำเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ มันจะเป็นทุกข์มากทุกน้อยก็ตามขึ้นชื่อว่าทุกข์แม้แต่นิดหนึ่งเราไม่ต้องการชิ่งส่วนดินแดนที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานพระนิพพานมีดินแดนไหมที่จะ้ตั้งตางบางท่านคิดว่ายังต้องเถียงใจของท่านอยู่แต่เพื่อมั่นใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครู ว่าพระนิพาณ น, นี้เป็นดินแดนเอกันตะบริมสุขเป็นสุขยอดเยี่ยมยิ่งกว่าดินแดนใดๆจงทําใจของท่านให้เข้าถึงฌานสมาบัติฝึกฮัดทิพยุขยานหรือว่าโนยิตธิให้ได้แล้วหลังจากนั้นทําใจของท่านอย่างเร็วและต่ําที่สุดก็คือโคตรพุยานหรือว่าถึง ป้โสดาบันตอนนั้นท่านจะเข้าใจพระนิพพานได้ดีเพื่อป็นการเปลื่องความรู้สึกของท่านนี้จงทำตนให้เข้าถึงเมื่อตนยังไม่เข้าถึงซึ่งเปราโสดาบันเพียงใดและไม่สามารถจะได้ทิศริพยานด้วยจงหย่าเถียงกับเขาเรื่องพระนิพพานระวันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและพรยาคารโยธาวจา์ทั้งหมด มองดูเวลาหเห็นว่าสมควรกับเวลาที่จะพูดต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูล้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัตยายาไซจงกว่าจจเห็นว่าเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดี